ประวัติของท่านพระมหาโกธิตะเถระซึ่งเป็นพระเถระอันดับที่59ประวัติเดิมของท่านก็คือท่านนั้นเป็นบุตรของอัศลายนะพร์อัศลายณะพร์คือเกิดในตระกูในวั น, นะของพรา์แล้วก็มีบิดาชื่อว่า อัศลายณะพรามกับนางจันทวนดีพรามณีคือมารดาของท่านชื่อว่าจันทวนดีพรามณีเป็นคนชาวพนคอสาวัตถีตระกูลของท่านนั้นเป็นตระกูลที่มีทรัพสมบัติมากเมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้วโกธิตมามนก ก็ได้ศึกษาศิลปะวิทยาตามลทัทธิของพรามจนจบไายเพศสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาสเสด็จเที่ยวประกาศพระศาสนาในานานาชนบทได้ทรงทรมานอัสลยัสลยยันะพรามผู้เป็นบิดาของโกธิตะมานกนั้น จนกระทั่งทรมานจนกระทั่งอัสร า, ายญะพรามผู้เป็นวินดานนั้นละทิฐิมานะซึ่งเป็นผู้ที่ว่าถือตัวว่าเป็นพรามเป็นผู้มีความประเสริฐเป็นวันะที่ประเสริฐกว่าวันะทั้งหมดเป็นผู้ที่ถือกำเนิดว่าจะพรมเหล่านี้เป็นต้นจนกระทั่งให้ละทิฐิมานะคือความถือตนอย่างนั้นยอมเป็นอุบาสก คือยอมเป็นอุบาสกเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาโกธิตะมานพผู้เป็นบุตรก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเหมือนกันวันหนึ่งโกธิตะมานพผู้นี้ได้สนับตรับฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ก็จึงได้ทูลขอบวชเมื่อบวชแล้วก็ปรากฏว่ามีท่านพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌายะและท่านพระโมคคัลลานะเป็นพระอาจารย์ตามตำนานของท่านกล่าวตามตำนานกล่าวว่าโกธิตะภิกษุผู้นี้ เมื่อเวลาปรงผมท่านได้พิจารณาในวิปัสสนากรรมฐานพอผลัดผ้าสาดกสำหรับครหัดออกแล้วก็นุ่งห่งผมผ้ากาสาวพัสสำหรับบัะชิตหรือสำหรับพระภิสุิ์ในพุทธศาสนาท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่วิชาสามและวิโมกสาม ปฏิอาตปฏิสัมพิทาทั้งสี่นี้ก็ได้แก่หนึ่งอัตต์ปฏิสัมพิาทเฐฐพาเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในอัตตหรือในเนือ้อในเนื้ออัตในเนื้อความ2ธรรมะปฏิสัมพิทาเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิทาเป็นผู้มีปัญญาแตกฉาน ในนิรุตคือในภาษาแล้วก็สี่ปฏิภาณนะปฏิสัมพิทาเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในปฏิภาณคือในเชิงปฏิภาณนี่เรียกว่าปฏิสัมพิทาสิวิชาสามนั่นก็ได้แก่ปุเพนิวาสานุสติยานคือการระลึกชาติใด 2. องจุตูปปาตยานก็คือการ มีปัญญาคือการที่กำหนดรู้การจุติคือการตายและการเกิดแห่งเราสัตว์ได้ที่เรียกว่าทิพยจักสุขมีตาทิพย์และประการที่สามนั้นได้แก่อาสวกพย า, ยานยางคือตัวปัญญาอันเป็นเหตุแห่งการสิ้นไปแห่งกิเลสอสวะนี่ได้แก่วิชาสาม ส่วนวิโมกสนั้นก็ได้แก่หนึ่งสุญญาตาวิโมกการหลุดพ้นโดยสุญญาตะสุญญาตะนี้ก็คือความเป็นสุญญะหรือสุญญาตาความว่างปลัาอันนี้มิตาวิโมกการหลุดพ้นโดยที่ไม่มีนิมิตแล้วก็อัปะนิหิตะนิโมกการหลุดพ้นโดยที่ไม่มีกิเลส ต, ตัณหาเป็นครึ่ง ทั้งหมดนี้ปรากฏว่าท่านพระโกธิตะภิกษุผู้นี้ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมทั้งปฏิสามพิธาทั้งสี่วิชาสามและวิโมกข์ทั้งสามดังที่กล่าวแล้วนั้นในขณะที่เปลี่ยนผ้าหนุ่งของคฤหัสถ์ออกมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเท่านั้นเอง เพราะเหตุที่ว่าในขณะที่ปรองผมนั้นท่านได้พิจารณาวิปัสสนากรรมฐานอยู่แล้วท่านพระมหาโกธิตะนั้นเป็นผู้ที่ใครต่อการศึกษาเมื่อเข้าไปหาพระเถระผู้ใหญ่ก็ดีแม้แต่ว่าในขณะที่เข้าเฝ้าพระรมัมยสัสดาก็ดีชอบถามปัญหา เกี่ยวกับปฏิสัมพิธาทั้งสี่นั้นหนึ่งเงเพราะฉะนั้นต่อมาในภายหลังพระบรมศาสดาก็จึงทรงธรรมซึ่งมหาเวทันละสุให้เป็นอัตุปฏิเหตุคือให้เป็นเหตุตั้งขึ้นแห่งเนื้อความแล้วก็ทรงตั้งทันไวในฐานะเป็นเอตถคะฝ่ายเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลาย ในด้านแตกฉานในปฏิสัมพิถาทั้งสี่ท่านพระมหากดธิตา น, นี้ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในปฏิสัมพิทาทั้งสี่เพราะปรากฏว่าท่านชอบถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในปฏิสัมพิทาทั้งสี่นั้นอยู่หนึ่งเหนื่งไม่ว่าจะเป็นพระมหาเทระหรือพระบรมศาสน า, ศาดังนั้นจึงมีความแตกฉานเชี่ยวชาน ในปฏิสามพิทาทั้ง4เป็นอันมากก็จึงได้รับยกย่องในทางนี้ท่านพระมหากริตานั้นเมือ่อก็เป็นกำลังใหญ่ในการประกาศศ า, าสนาองค์หนึ่งเช่นกันท่านก็ํำลงสังขารอยู่มาโดยสมควรแก่การก็ดับขันธพันิพา น, นี่ก็เป็นประวัติของท่านซึ่งเนื้ อ, อประวัติของท่านนั้นมีไม่ยาวนักเป็นแต่เพียงสั้น แต่ก็เป็นผู้เป็นพระมหาเถระที่มีความสําคัญและได้รับยกย่องด้วยประวัติของท่านพระมหาเถระองค์ต่อไปก็คืออันดับที่60สก็เป็นประวัติของท่านพระโสมพิตะเถระพระโสมพิตะเถระนี้ประวัติเดิมของท่านนั้นก็เป็นคนที่เกิดในวันณะพรามณเช่นเดียวกันในพระนครสาวัตถี แต่ก็ไม่ปรากฏว่าบิดาของอของท่านชื่ออะไรมันดาชื่ออะไรปรากฏแต่เพียงว่ามีนามเดิมว่าโสพิตามานปโสพิตามานปเมื่อจเจริญวัยก็ได้ศึกษาอักษรสมัยในละทิของพรามก็คือเรียนจนจบไตรเพศตามละทิของพรามนั่นเองวันหนึ่งได้ไปสู่สำนักของพระบรมศาสดา ได้สดับฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงสดแสดงก็บังเกิดสถาเลื่อมใสก็จึงได้ออกบทในพระธรรมวินยัยท่านใดอุปสมบทเป็นพิสุแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาท ก, การที่ท่านใดอุปสมบทเป็นพิสุนั้นจะมีใครเป็นอุปชายะก็ไม่ได้แจ้ง ไม่ได้กล่าวไว้ชัดหรือจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานอุปสมบทให้ก็ไม่ได้กล่าวไว้เป็นแต่เพียงกล่าวแต่เพียงว่าเมื่อบังเกิดความเริ่มใสในอในพระพุทธศาสนาได้ทำฟังทรมีกถาแล้วที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็มาเกิดศรัทธาเริ่มใสออกบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินยัยก็น่าจะเป็นที่ว่าทูลขออุปสมบทต่อพระองค์ แล้วพระพุทธองค์ก็ประทานอุปสมบทให้ท่ั้นใดอุปสมบทเป็นภิกษุแล้วเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีความเพียรอุตสาหะบำเพ็ญสมณธรรมจะเลินมีปัศนากรรมฐานไม่นานนักก็สำเร็จพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญาณทั้งสี่เหมือนกันก็ได้เป็นพระยามุคคล เป็นอรหันตขีนาศในพระพุทธศาสนาและท่านนั้นคือพระโสพิตะเถระผนท่านนั้นเป็นผู้ที่มีปกติสังสมซึ่งวสีห้าประการและเป็นผู้ชำนาญแค่ครองในปุเพนิวาสานุสติยานคือยานเป็นเครื่องระลึกชาติในหนหลังได้ วสีห้าประการนั้นคำว่าวสีนี่หมายถึงว่าเป็นผู้มีความชำนาญคือมีความชำนาญ น, นั้นเป็นผู้มีปกติสั่งสมซึ่งวสีก็คือสั่งสมซึ่งความชำนาญไว้ห้าประการด้วยกันวสีห้าประการนั่นก็คือหนึ่งอาวชนะวะสีชำนาญในการน้อมนึกถึงองค์ฉาน ทำนานในการน้อมนึกถึงองค์ฌานสองสมาปัจชนาวสีชํานาญในการเข้าฌานสมาบัติสอธิฐานาวสีชํานาญในการหยุดอยู่ในองค์ฌานอันในฌานสมาบัติสี่วุ ธ, ธานาวสีชํานาญในการออกจากฌาน และก็ห้าปัจจเวกคณะวสีชํานาญในการพิจารณาองค์ฌานอาวัชนาวสีชํานาญในการน้อมนึกถึงองค์ฌานนั้นหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีความชํานาญในการที่จะน้อมนึกเนถึงองค์ฌานซึ่งองค์ฌานก็มีห้าประการคือหนึ่งวิตกสองวิจารสามปีติสี่สุข สห้าเอกกัตานี่ถือว่าเป็นองค์ชานก็เป็นผู้ชำนาญในการที่จะน้อมนึกองค์ชานทั้งสี่นี่อเข้ามาในจิตใจหรือว่ามีจิตใจน้อมนึกในองคชานนี้เป็นผู้ที่มีความชำนาญสมาปัญญนวสีก็เป็นผู้ชำนาญในการเข้าคือทํามาเป็นประจําแล้วเมื่อจะนึกจะเข้า เ, เมื่อมีความประสงค์ที่จะต้องอาจจะเข้าฌานก็สามารถที่จะเข้าได้เร็วพันธ์ โดยไม่เสียเวลานะแบบคนที่มีความชำนาญสามอธิษฐานนวสีก็เป็นผู้ชำนาญในการหยุดอยู่ในองค์ชานคือการเข้าฌานนี่ก็พระเถระแต่ละท่านนั้นมีปกติเข้าฌานแล้วก็หยุดอยู่ในองค์ชานั้นสุดแท้แต่ว่าการอธิษฐาน ว่าจะหยุดอยู่ในองค์ฌานนี้ชั่วเวลาเจ็ดวันหรือห้าวันหรือสามวันหรือวันเดียวก็สามารถที่จะอยู่ในองค์ฌานนั้นได้อย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ออกก่อนเวลาและก็ไม่ออกเกินเวลานี่เรีย ก, กว่าเป็นผู้ชำนาญอยู่ในการหยุดอยู่ในองค์ฌานวุฒานวสีเป็นผู้ชำนาญในการออกจากฌานเมื่อต้องการที่จะออกจากฌานนั้น ก็สามารถที่จะออกได้อย่างเร็วพันโดยที่ไม่เสียเวลาแล้วก็ปัจเจเวกคณะวสีชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานคือสามารถที่จะพิจารณาองค์ฌานได้อย่างเห็นชัดได้อย่างท่องแท้ถึงเรื่ององค์ฌานทั้งห้าซึ่งมีวิตกเป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นผู้ชนานาญในวสีทั้งห้าเนีเป็นผู้เรกว่าปกติสั่งสมซึ่งวสีทั้งห้า คือเป็นผู้มีความชํานาญห้าประการเกี่ยวกับฌาติสมาบัติและท่านนั้นก็เป็นผู้มีความชํานาญแคล่วคล่องในปุเพนิวาส า, านุสติอยางคือการระลึกชาติในผลหลังได้ว่าในอดีตชาตินั้นท่านนั้นท่านนั้นได้เกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนมีชื่อเสียงเลียงนามว่าอย่างไรท่านก็สามารถที่จะระลึกถึง ชาติอดีตในอนดีตแต่การนั้นได้อย่างแคล่วคล่องอาศัยคุณสมบัติเช่นนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงตั้งท่านไว้ในเอตัาคฆะคือเป็นผู้เลิศกว่าพิสุท์ั้งหลายในฐานะฝ่ายข้างระลึกถึงปุเพนิวาดได้คือว่าระลึกชาติปางก่อน ของตนเองได้ท่านพระโสดพิตะมหาเถระผู้นี้ก็ได้เป็นกําลังอันสําคัญของพระบรมศาสนาในการที่ช่วยประกาศพระศาสนาแก่ท่านสาธุชนในแก่ประกาศพระศาสนาแก่ท่านสาธุชนจนกระทั่งที่ให้บุคคลผู้ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาที่เลื่อมใสแล้วก็ให้เลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไป ท่านนั้นก็ดำลงชนมายุสังขารอยู่ตามสมควรแกร่การก็ดับขันธปรินิพานการนิพาน์ของท่านนั้นจะมีเมื่อไรในขณะอายุของท่านเมื่อไายนั้นและก็ น, นิพาน์ที่ไหนเวลาใดนั้นก็ไม่ปรากฏชัดท่านผู้เรียบเรียงตำนานนั้นก็กล่าวแต่เพียงว่าเมื่ออยู่มาโดย อายุสมควรแก่การก็ดับขันธปนิพานธ์นี่ก็เป็นเรื่องของพระมหาเถระองค์ที่หกสิบองค์ที่หกสิบชื่อว่าพระโสดพิตะมหาเถระต่อไปก็เป็นประวัติของพระมหาเถระอันดับที่หกสิบเอ็ดพระมหาเถระอันดับที่หกสิบเอ็ดนี้ก็ได้แก่พ น, นันทะกะเถระ พระนันทะกะเทละพระนันทะกะเทละผู้นี้ประวัติเดิมของท่านก็เกิดในตระกูลพรามเช่นเดียวกันคือเกิดในวันณะของพรามในวันนาในบรรดาวัณ น, นาทั้งสี่ในพระ น, นครสาวัตถีก็ไม่ปรากฏชื่อและโคดอไม่ปรากฏโคตและบิดามารดาปรากฏแต่ว่าเดิมนั้นก็ท่านชื่อว่านันทะกะมานก ก็เป็นคนพนครสาวถีเช่นเดียวกันเมื่อจเจริญวัยวัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสดาในประวัติของท่านก็ไม่ได้กล่าวเหมือนกันว่าท่านนั้นได้เรียนจบตามลทัทธิของไต ร, เ, ตรเพศตามลทัทธิของพราหมณ์หรือไม่หรือว่าไม่ได้เรียนก็ไม่ได้กล่าวไว้ชัด เป็นแต่เพียงว่ากล่าวว่าเมื่อจเจริญ ว, วัยวัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสด า, ศาบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ทูลขอบัรพชาอุปสมบทครั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุภาวะในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใ จ, จเจริญสมณธรรมสำหรับองค์นี้ถึงแม้จะไม่ได้กล่าวว่า พระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทให้แต่ก็ได้กล่าวถึงว่าได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทก็แสดงว่าพระองค์ได้ประธานอุปสมบทให้เป็นพิสุทธ์ในพุทธศาสนาซึ่งเรียกตามภาษาไทยของเราก็คือว่ามีตามภาษาของเราก็คือเรียกว่ามีพระผู้มีภาคเจ้าหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปาาัชยยัเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วก็ ตั้งใจในการเจริญสมณธรรมบำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็สาเร็จพระอราหาันตผลเป็นพระอาเสขับบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านนั้นก็เป็นผู้มีความชำนิชำนาญในการระลึกซึ่งปุเพสนิวาสก็คือขันธสันดานก็คือว่าชำนาญในการระลึกชาติในหนหลังคือชาติในปางก่อนของตนเอง ได้และก็ท่านกล่าวต่อไปว่าเป็นผู้ชำนาญในปุเพสนิวาสขันธสันดานอันท่านและสัตว์อื่นเคยอยู่เคยอาศัยบังเกิดในชาติก่อนในที่นี้ท่านกล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในการลืกชาติผนหลังได้แต่ที่กล่าวนี้ว่าแม้แต่ว่าสัตว์เหล่าอื่นก็น่าจะ เป็นผู้ชำนาญในจุตูปปาต ย, ยานเหมือนกันคือการเกิดการจุตและการเกิดของสัตว์ละอื่นแต่ท่านก็กล่าวแต่เพียงว่าเป็นผู้ชำนาญในการเลึกชาติที่คนหลังได้เท่านั้นและท่านนั้นก็เป็นผู้ฉลาดในการแสดงธรรมแก่บริษัททั้งสโดยที่ชี้แจงให้เป็นที่พอใจและเข้าใจได้ไง่ง่ายคือท่านนั้น สามารถที่จะชี้แจงธรรมะบางสิ่งบางประการบางข้อหรืออธิบายข้อธรรมะนั้นอย่างแบบให้เข้าใจง่ายๆจนเกิดเป็นที่พอใจของผู้ฟังทั้งหลายคือของบริษัททั้งสีได้แก่ภิกษุภิษุณีอุบาสกปุสิกาคือใช้สํานวนง่ายๆหรืออธิบายให้เข้าใจง่าย โดยเป็นที่ให้เกิดความพอใจแก่ผู้ฟังทั้งหลายในตำนานปรากฏว่าครั้งหนึ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องอายตนะหกประการอายตนะหกประการคือเทศเรื่องอายตนะหกประการ ให้แก่นามพิสุณีให้แก่พิสุณีประมาณห้าร้อยอายตนะหกประการนี้ท่านก็ไม่ได้ ก, กล่าวไว้ว่าจะเป็นอายตนะภายในหรือภายนอกอายตนะภายในนั้นอ า, อายตนะภายในหกประการนั้นก็ได้กแก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกนั้นก็ได้กแก่รูป เสียงกลิ่นรสโธธพษิภพและก็ธรรมารมนี่เป็นอายตนะภายนอกหกประการแต่ในที่นี้ท่านกล่าวไว้ว่าได้แสดงถึงเรื่องอายตนะหกประการก็คงจะเป็นอายตนะภายในหกประการมีตาเป็นต้นเมื่อมีตาแล้วก็คงจะแสดงควบกันไปถึงเรื่อง อารมณ์ของอายานะอารมณ์ของอานะก็คือรูปนั่นเองรูปเป็นต้นนั่นเองที่เรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อกันแกพิษุณีมีประมาณห้าร้อยรูปพิษุณีนี้ก็คือพระผู้หญิงห้าร้อยูปเดียกันปรากฏว่าในที่สุดแห่งเทศนาคือเมื่อเทศจบพิษุณีเหล่านั้นทั้งห้าร้อยรูปนั้น ได้สำเร็จโสดาปฏิพลนธ์ได้สาเร็จโสดาปฏิพั์แล้วก็ได้พากันชื่นชมยินดีในธรรมเทศนาของท่านเพราะเหตุว่าท่านเทศน์นั้นได้แจ่มแจ้งได้จับจิตจับใจแล้วก็ฟังง่ายอธิบายง่ายเข้าใจง่ายจนเป็นที่พอใจเพราะฉะนั้นพวกอาพระเพราะฉะนั้น พระพิษุณีทั้งห้าอยนั้นน่ะก็พากันชื่นชมยินดีในธรรมเทศนาท่านเพราะเหตุนี้แหละองค์ผู้เนรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบขึ้นว่าท่านมีความสามารถในการที่แสดงธรรมะโปรดพิษุณีจนกระทั่งได้บรรลุโสดาปฏิผลทั้งห้าอยในวันลุ่งขึ้นพระองค์ก็รับสั่งให้เป็นแสดงธรรม สั่งสอนภิกษุณีอีกไปแสดงธรรมสั่งสอนพิกษุณีอี ก, ท, ออกท่านก็ได้ไปแสดงธรรมสั่งสอนอพิษุณีตามพุทธประสงค์คือตามที่พระธรรลัดให้ไปก็สามารถทําให้พิษุณีห้าร้อยลูกที่ได้ฟังเทศอารยตนะไปมวันวานนี่แหละ ควงเทพของท่านในวันนี้พอจบก็แล้วจบพระธรรมเทศนาแล้วปรากฏว่าได้บรรลุอรหัตผลพร้อมเด็กกันทั้งห้าร้อยรูปเลยห้าร้อยองค์เด็กกันเลยแต่ว่าในพระธรรมเทศนากันนี้ที่ทําให้พิษุณีทั้งห้าร้อยรูปนี้ดารงอยู่ในอรหัตผลนั้นก็ไม่ปรากฏตำนานไม่ได้กล่าวไว้ผู้เล่าตํานานนี้ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่า ด้วยพระธรรมเทศนาอันใดแต่ก็ยังความสามารถให้พิสุนีนี้ได้บรรลุอรหัตผลได้ก็แสดงว่าความสามารถของท่านในการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเป็นที่จับจิตจับใจและก็เลียฟฟังง่ายเข้าใจง่ายจนกระทั่งนาอากระทั่งพิสุนีเนี่ยวันแรกหรือว่าฟังครั้งแรกนั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน แต่พอวันที่สองนี้ได้เป็นพระอาหารทั้งหมดก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถองค์หนึ่งในการแสดงธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นอาศัยคุณสมบัติเช่นนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จึงได้ทรงตั้งท่านไว้ในฐานะเอตทัคคะคือเป็นผู้ที่วเลิศกว่าพิสุ์ทั้งหลาย ฝ่ายข้างให้โอวาดนางพิษุณีให้อวานางพิษุณีคือตามปกติแล้วการให้อวาดก็คือการสั่งสอนพิษุณีนี้เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของพระพิสุขซึ่งตามองออตามที่พระพุทธบัญญัตินั้นองค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตั้งข้อบัญญัติไว้ว่าภิกษุณีนั้นจะต้องรับฟังโอวาทของพระภิกษุทุกเกือกเดือนทุกเกือกเดือนคือสิบห้าวันเพราะฉะนั้นการให้โอวาทณภิกษุณีนี้ถือว่าเป็นหน้าที่อันหนึ่งของพระภิกษุเหมือนกับการที่พระภิกษุนั้น พึงฟังพระปาติโมกทุกกึ่งเดือนเหมือนกันดังนั้นในข้อบุคกรคือสิ่งที่จะพึงทำก่อนสวดปาิโมกนั้นก็จะมีบอกไว้ในข้อที่ว่าสอนภิกษุณีแต่ในปัจจุบันนี้ภิกษุณีหมดไปแล้วจากโลก คือภิกษุณีนี้ได้หมดไปจากโลกคือจากพระพุทธศาสนานี้หลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้500ปีหรือพศออหลังจากพศ .500 ปีไปแล้วภิกษุณีไม่มีปรากฏอีกเพราะฉะนั้นแม้แต่ว่าหญิงใดก็าตามมีความมีศรทัทธาภาษาอยากจะบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาก็ไม่สามารถที่จะบวชได้ เพราะเหตุว่าไม่มีภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้ว <c oughs> จึงว่าเป็นอันว่าศูนย์สิ้นไปจากพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการให้โอวาทแก่ภิกษุณีทุกกึ่งเดือนอันเป็นหน้าที่ของภิกษุนั้นก็จึงได้พับไปคือหมดไปโดยปริยายโดยปริยาย ในครั้งพุทธกาลนั้นก็ปรากฏว่าผู้ที่ให้โอวาตแก่พิษุณีเลิศ ก, กว่าเขาที่สุดก็ได้แก่พระนันกทกะเถระผู้นี้เองท่านพระนันกทกะเถระนี้ก็ได้เป็นกําลังอันสําคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระศาสนาและก็เป็นผู้ให้โอวาตแก่พิษุณี ท่านก็ได้ดำลงเป็นจะขันอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันทัปินริพานก็จบประวัติของท่านพระนันทะกะเถระเพียงเท่านี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนั่นท่านนักศึกษาทุกท่านท่านได้กันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดี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 เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์แห่งพระนครกุกุตะวดีกุกุตะวดีกุกุตะนี่แปลว่าไก่วดีหรือวตินี่แปะวะลวัรั้วหรือกำแผงเข้าใจว่านครกุกุตะวะดีนี่ก็คงจะมี กําเพางั้นมีลูกไก่ติดอยู่อาจจะเป็นอย่างนั้นจึงได้ชื่ อ, อนครว่ากุกุตะวีท่านพระมหากัปปินะนี้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์แห่งกุกกุตะวีนครแต่ก็ไม่ปรากฏชื่อของพระราชบิดาว่าทรงพระนามว่าอะไร แล้วก็พระราชมารดาทรงพระนามวะกกอะไรก็ไม่ได้ปรากฏชื่อปรากฏต่ว่ามหากัปินะ ก, กุมารผู้นี้เมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ์ต่อมาพระองค์นั้นทรงมีพระอัครมเหสี พระองค์หนึ่งนามว่าพระนางอะ โ, โนชาเทวีพระนางอโนชาเทวีผู้นี้เป็นพระราชธิดาแห่งรัชท์ในสาขลราคนครแว่นแควนมัทรัตสาขราคนครสาขราคนครนี้อยู่ในแว่นแควนมัทรัต สาธารานครนั้นในแว่นแคว้นแห่งมกทรัก์ก็มีอยู่แต่สําหรับสาขรารนครแคว้นนี้เป็นอยู่ในแว่นแคว้นของมัทรักเป็นพระราชิดาของกษัตริย์แห่งสาขสาขราชสารในแว่นแคว้นมัทรัฐหรือใน ป, ปัจจุบันนี้ก็ได้กแก่มัทรัฐษนั่นเองซึ่งเป็นรัฐอันอยู่ทางใต้ ประเเทศอินดียพระเจ้ามหากับปิ น, นัน้นมีม้าเป็นพระราชพาหนะสี่ตัวเดียกันม้าทั้งสี่ทั้งห้าตัวเดียกันม้าห้าตัวนั้นตัวหนึ่งชื่อว่าพละตัวหนึ่งชื่อว่าพละวานะ ตัวหนึ่งชื่อว่าปุพหะตัวหนึ่งชื่อว่าปุพพาวะนะและก็ตัวหนึ่งชื่อว่าสุปตะมีด้วยกันห้าตัวด้วยกันมาซึ่งเป็นพระราชภานนะในบรรดามาทั้งห้าตัวนี้เมื่อพระองค์ทรงมาตัวใดก็ตามมาที่เหลือสี่ตัวนั้นพระองค์ก็จะพระราชทานให้แก่พวกอมตะ ให้พวกอมาตะได้ขับขี่โดยตามปกติแล้วพระมหากปินณพูดนี้พร้อมด้วยอมาตะทั้งสี่คือว่าให้พระองค์ น, นั้นมักจะเสด็จออกไปสืบเรื่องราวข่าวของพระรัชนรัยกลับด้วยอมาตะสี่คนด้วยกัน คือไปกันด้วยกับด้วยพระราชพานะคือม้าเนี่ยทั้งห้าตัวโดยที่พระองค์ขับขี่ตัวหนึ่งแล้วก็อีสี่ตัวก็ให้อมัดไปกันเป็นประจำโดยที่ไปสืบถามสืบหาข่าวที่ว่าพระตนตรัยคือพพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเกิดขึ้นในโลกแล้วหรื อ, อยังต่อมาวันหนึ่ง พระองค์นั้นก็ทรงมาชื่อว่าสุปตะและก็พร้อมด้วยพระบุรลมงสานุวงศและอาําตราชบริพานนั้นสเสด็จประพาสพระอุทิยานะเสด็จประพาสพระอุทิยานก็ได้พบกับพ่อค้านะพ่อคว้าพ่อค้าที่นำสินค้านะมาจากพระนครสาวัตถีประมาณห้าร้อย ซึ่งพ่อค้าทั้งห้านี้เป็นพ่อค้านำสินค้าบรรทุกมาทางเกวียนมาทางเกวียนมาประมาณห้าร้อยเล่มซึ่งมาจากพระนครสาวัตถีพระองค์ก็ได้ตัดถามถึงข่าวถึงเรื่องราวที่ว่าบัดนี้ในพนครของท่านนั้นมีพระพุทธ พรัตนะพระธรรมรัตนะภาษาลัตนะนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังก็ปรากฏว่าได้ทราบจากปากของพ่อค้าวะบัตินี้องค์สมเล็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์และพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นบังเกิดขึ้นแล้วในโลกพระมหากิณาราชา เมื่อได้สดับเช่นนี้แล้วเพื่อให้เป็นการแน่พระไทยนั้นพระองค์ทรงถามยำ้ำถึงสามครั้งว่าบัตรนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเกิดบังเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือตรถามพ่อค้าทั้งห้าร้อยคนนั้นถึงสามครั้งเมื่อได้สดับว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้วทรงมีความปีติโสมนัต เป็นอย่างยิ่งบังเกิดศรัทธาจนอย่างแก่กล้าจนกระทั่งที่ว่าลืมพระองค์ไปดรือยอหน้าของปีติและก็ได้ทรงพระราชทานนั้นรั์ให้เป็นรางวัลแก่พวกพ่อค้าเหล่านั้นทั้งหมดดกันสามแสนสามแสนกะหาพณะเนะพราะเหตุที่ว่าให้รางวัลที่กล่าวว่าพระพุทธเกิดขึ้นในโลก พระธรรมเกิดขึ้นในโลกและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกนั้นอย่างละแสนสามแสนได้กันแต่ว่ารับสั่งให้ไปรับเอากับพระมเหสีที่ชื่อว่าอโนชาเทวีเพราะเหตุว่าพระองค์สเสด็จพร ะ, ระอุทยานีพระพะุทยานีไม่ได้นำติดตัวมามากมายนะักแล้วพระองค์ก็ได้ทรงมีพระราชอักษรนั้น มอบราชสมบัติให้แก่พระอัครมเหสีคือพระนางโนชาเทวีโดยการฝากพระราชสารนี้พระราชสารนี้ไปกับพวกพ่อค้าทั้งห้าร้อยคนที่ให้ไปรับรางวัลสามแสน 3, กระหาปณะ น, นั้นแก่พระอัครมเหสีด้วยแล้วพระองค์ก็พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และอมาตย์ผู้เป็นบริวารในการเสด็จเท่านั้น ในการเสด็จประพาสพระราชวญญาณเท่านั้นหนึ่งพันคนเสด็จต่อไปยังเมืองสาวัตถีทันทีโดยที่ไม่ได้กลับพระนครเลยเสด็จทรงมาไปด้วยบริวารประมาณพันหนเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสด า, า, าที่กรุงสาวัตถี ในระหว่างทางที่พระองค์เสด็จนั้นได้พบแม่น้ำสามสายด้วยค่ะแม่น้ําสายหนึ่งมีชื่อว่าอารวะปัจฉาสายหนึ่งมีชื่อว่านีลบาหนาะ <c oughs> และอีกสายหนึ่งนั้นมีชื่อว่าจันจันทภาคา เมื่อพระองค์ทรงประสบแม่น้ำสายสามสายเหล่านี้ในแม่น้ำสามสายเหล่านี้ก็ที่จะหามีเรือมีแพหรือบุคคลที่จะขี่ข้ามนั้นหาไม่ได้เลยด้วยเหตุนั้นพระมหากัปปินะราชาเมื่อประสบแม่น้ำสายที่หนึ่งก็ได้ทรงระลึกถึงพระพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้า เมื่อถึงแม่น้ำสายที่สองก็ระลึกถึงพระธรรมคุณคือคุณของพระธรรมและเมื่อถึงแม่น้ำสายที่สามก็ระลึกถึงพระสังคคุณคือคุณของพระสงฆ์ด้วยเดชะคุณแห่งพระตนตรยัยแม่น้ำนั้นทั้งสามสายก็เป็นเกิดเป็นน้ำแข็งพระองค์ก็ทรงมานั้นข้ามแม่นม้ำ ไปได้โดยสะดวกสบายโดยที่ว่าแม้แต่น้ำที่จะเปียกเปรีมานั้นก็ไม่มีนี่เป็นด้วยอนุภาพของพระรัตนตรัยที่พระองค์นั้นทรงน้อมระลึกด้วยศรัทธาอย่างยิ่งด้วยศรัทธาขนาดที่ว่าไม่ยอมกลับพนาคอนตรงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องการจะบวชทันทีเพราะฉะนั้นเมื่อประรสบแม่น้าสายที่หนึ่งที่ชื่อว่าอาระวะปัญชานั้น ก็จึงได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ซึ่งมีคำว่าอิติปิโสภะขวาเป็นอาทิก็สามารถที่จะเสด็จข้ามแม่น้าไปได้โดยที่ว่าทรงมากขี่ข้ามแม่น้ำไ ป, ได โ, ดำไปโดยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีเรือลุแ่แห่หรือมีสะพานแม่น้านั้นก็โดยอนุภาคที่ระลึกถึงพระพุทธคุณนี้ก็กลายเป็นแม่น้าแข็งไปกลายเป็นน้าแข็งไป ก็ทรงขี่ข้ามม้าทรงอทรงม้าขี่ข้าไปโดยที่วัาน้ํานั้นไม่ได้เปียกแม่ศัะตะว์กรีบแห่งม้าเลยกลีบเท้าแห่งมา้าเมื่อถึงแม่น้ําสายที่สองที่ชื่อว่านีละพาหานานั้นพระองค์ก็เดินน้อมระลึกถึงพระคุณของพระธรรมซึ่งมีคําว่าสวาขาโตภควัตาธรรมโภเป็นอาทิโดยอนุภาพของพระคุณของพระ พระธรรมคุณนั้นก็ปรากฏว่าแม่น้ำนั้นกลายเป็นแม่นม้ำเป็นน้ำแข็งไปก็ทรงขี่ข้ามไปบนหลังม้าได้อย่างสะดวกสบายพอไปถึงแม่น้ำสายที่สามที่ชื่อว่าจันทภาคาพระองค์ก็น้อมระลึกถึงพระคุณของพระสง์ซึ่งมีคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเป็นอาธิ ด้วยอนุภาพของพระสังกัรตนะนี้ก็ปรากฏว่าน้ำในแม่น้ำนั้นกลายเป็นน้ำแข็งไปเช่นกันพระองค์ก็ทรงขับขี่มาที่ชิวัสูปตะนั้นนำหน้าพวกบรมสาวงสานุวงและอมาตะบริพาลทั้งพันข้ามไปด้วยดีส่วนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงทราบว่าพระมหากัปปินาราชาทรงสละราชาสมบัติพร้อมด้วยบริวารเสด็จมาเพื่อที่จะมาอุปสมบทคือมีพระราชประสงค์จะออกบรรพชาอุปสมบทเฉพาะพระองค์คือองค์สมเด็จพระสมัสมสมาสมัมพุทธเจ้าดังนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จออกไปรับพระมหากัปปินาราชานี้จากกรุงสาวัตถีหรือว่าจากที่พระเชตวันมหาวิหารนั้น ทิระยะขนทางประมาณหนึ่งพันสองร้อยยโยศหนึ่งก็คือประมาณสิบหกกิโลหนึ 1, ่งพันสองร้อยยอ่าขอโทษขอขอภย120ยัยหนึ่งร้อยยี่สิบยดยศหนึ่งประมาณสิบหกกิโลสิบหกกิโลเป็นหนึ่งยดหนึ่งร้อยยี่สิบยพระองค์ก็เสด็จประทับอยู่ใต้ล่มไทรต้นหนึ่ง ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาและพระองค์ก็ทรงเปล่งพระรมีคือฉพันธ์นลสีลศสมีหกประการให้ปรากฏพระเจ้ากับปนณะพร้อมโดยบริวารประมาณพันหนึ่งนั้นเมื่อทรงข้ามแม่น้ำสายที่สามคือจันทภาคาและจันทภาคาแล้วสเสด็จถึงสถานที่นั้นก็ได้เห็นพระรามี ของพระพุทธองค์คือชาพันธ์รลังศรีหกประการนั้นก็ทรงแน่พระไทยว่าพระศมีนี้ต้องเป็นพระศมีคือชาพันธรรลังศรีขององค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระพุทธพระพุทธเจ้าพระพุทธรัตน์อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อเสด็จถึงที่นั้นแล้วก็เสด็จลงจากหลังมาพระทินกพร้อมกับบริวารทรงดาเนินเข้าไปเฝ้า พระพุทธองค์นั้นด้วยพระบาทเปล่าตามแสงของรัศมีนะั้นเมื่อเข้าไปถึงในที่ใกล้แล้วก็ถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วก็ประทับนั่งอยู่ณนะที่ควรที่สมควรข้างหนึ่งแห่งหนึ่งพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงอนุปพีกาถา ซึ่งได้พรรณาไปตามลำดับข้อจากง่ายไปถึงยากก็คือ 1. ทานนักถาพรรณาถึงเรื่องการเสียสลับ ก, การบริจาคทานสศีละกถาพรณ า, าถึงการภักษาศีลศีลเป็นการที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยสเนกอ่าสักข ะ, กะาพรณ า, าถึงอารมณ์อเลศอันเกิดจากการที่ได้บริจา ทานและรกษาสิ่งนั้นและประการที่สี่นั้นก็ได้แสดงถึงเรื่องกามาทีนกกามาทีในวัคคาคือโทษของกามเพื่อมาแห่งถงอยู่ในสวรรค์หรือว่าในอารมณ์เลิศนั้นและประการที่ห้านั้นข้อสุดท้ายก็ได้แก่ทรงแสดงถึงเรื่องเนกขัมมานิสังสักถาคืออานิสงส์แห่งการออกจากกามคือเว้นจากกามนั่นเองหประการ พระข้อเดยกันในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้พระเจ้ามหากบปบินาชาพระเจ้ามหากปินะหรือพระมหากปิน า, าชาพร้อมด้วยบริวารทั้งพันนั้นทั้งพันคนนั้นก็ได้บรรลุโสดาปัติผลเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพโสดาบัน แล้วก็จึงได้ขออทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระองค์ก็ประทานอนุ ญ, ญาตให้เป็นพระภิกษุด้วยวิธีเอหิตพิคุปสัมปทาพร้อมกันทั้งพันลูกทั้งพันลูกส่วนพระนางอโนชาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีนั้นอยู่ที่พนคกกอกุกุตตะไอ้กุกุตตะวติวติวดีนั้น เมื่อพ่อค้าได้ทราบเนื้อความในพระราชสารจากพ่อค้าห้าร้อยคนห้าร้อยท่านที่ได้นํำพระราชสารของพระเจ้ามหากราบอของพระเจ้ามหากัาบปีนะเมื่อทราบเนื้อความว่าพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและภสังครรตนะนี้บังเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาต้องการที่จะออกบทก็จึงได้ประทานรางวัลนั้นให้แก่พ่อค้าทั้งห้าร้อยคนนั้นอีกประมาณเก้าแสนกหาปณะเพื่อเป็นรางวัลในการที่มาแจ้งข่าวให้ทราบว่าพระพุทธรัตนะเกิดขึ้นแล้วพระธรรมรัตนะเกิดขึ้นแล้วพระสังรัตนะเกิดขึ้นแล้วแต่รัตนะนั้นให้รางวัลรัตนะละสามแสนกหาปณะจึงรวมเป็นเก้าแสนเพราะฉะนั้น รวมทั้งที่ท่านพระมห า, าท่านพระท่านพระมหากัปินราชาประทานรางวัลให้ด้วยจึงรวมกันทั้งหมดเป็นสิบสองแสงก็จึงได้มอบรางวัลสิบสองแสงกระหาประณะนั้นให้แก่พ่อค้าทั้งห้าร้อยคนไปแล้วตนเองก็ได้สระราชสมบัติก็พร้อมด้วยบริวารซึ่งเป็นหญิงสเสด็จไปเฝ้าพราะรมศาสดาตามห้นทาง ที่พ่อค้าทั้งห้าร้อยคนนั้นบอกชี้ที่จะไปสู่พนักอาไปสู่พระนครสาวัตถีที่ประเชตวันก็ได้ไปตามทางผล่นทางที่พระมหากับปินะราชาณัสดเดไปและก็ได้ไปพบแม่น้ำสามสายเช่นเดียวกับท่านพระมหากับปินะเหมือนกัน เมื่อไปพบแม่น้ำทั้งสามสายพระนางอโนชาเทวีนี้ก็จึงได้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นเดียวกันกันกบพระมหากปินราชาผู้เป็นพระสวามิดังนั้นพระนางอโนชาเทวีนี้ก็จึงไปพบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านณะที่ใต้ต้นไสร ใตล้ลมสายใกล้ฝั่งแม่นม้ำจันทภาคานั่นเองคือไปพบในขณะที่ว่าพระสวามีของพระองค์คือพระเจ้ามหากบิณนราชานีได้เป็นพิษุคือบวชเป็นพิสุขในพุทธศาสนาแล้วไปทันกันเพราะเหตุที่ว่าพระนางอโนชาเทวีผู้นี้เมื่อพ่อข้านั้นได้นำข่าวไปแจ้งพระนางก็ได้รีสเดจออกติดตามทันที จึงไปพบกันณนที่ใต้ลมใสใกล้ฝั่งแม่น้าจันทภาขานั้นซึ่งในขณะนั้นพระพุทธองค์กับพระมหากับินะเถระพร้อมด้วยพิสุพันลูกยังอยู่ณสถานที่นั้นเมื่อพระนางอนโนชาเทวีได้เข้าไปสู่ในที่ใกล้พระองค์ก็ได้แสดงทาโปรดพระราชเทวี พระธาตเทวีเช่นกันได้แสดงทำรรอนุปุพีอนุปุพีกถาโปรดพระราชเทวีคือโนชาเทวีเหมือนกับที่ได้แสดงแก่ท่านพระมหากัปปินะเถระผู้นั้นในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาก็ปรากฏว่าพระนางอโนชาเทวี พร้อมกับบริวารก็ได้บรรลุโสดาปจิพล์แต่ว่าท่านพระมหากัปปินะเถระพร้อมด้วยบริวารที่เป็นพิสุนั้นนั่งอยู่นันสถานที่นั้นด้วยได้สนับพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระอนาพระนางอโนชาเทวีในเรื่องอนุปุกผีราถานั้นซ้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทรงจิตใจไปตาม กระแสพระ ธ, ธรรมเทศนาก็ปรากฏว่าเมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุอารัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทานในข้อนี้จะเห็นได้ว่าท่านพระมหากราปินะนี้เหมือนกับประวัติคล้ายประวัติของท่านพระยาสัเพละคือได้ฟังซ้ำพระธรรมเทศนากันเดียวกันเนี่ยซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้สําเร็จ พระ阿拉ตะผลแต่ว่าผิดกันอยู่หน่อยหนึ่งว่าพระยศะะเถระนั้นได้ฟังอนุปุพผีคาถาเพื่อเป็นการกล่อมจิตใจก่อนแล้วก็ได้ฟัง อ, อ, อ, อริยสัจสีประการคือพระองค์ทรงเทศอนุปุพผีกถาและอริยสัจสีประการตอนตอนเองฟังก็ได้บรรลุโสดาปันติผลแต่เมื่อพระองค์นั้นได้ทรงเทศให้บิ ด, ดาของตัวเองฟัง ตนเองก็ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้บรรลุอารักตตะคุณสำหรับในประวัติของท่านพระมหากรพินานี้น่าจะมีพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่เหมือนกับพยัสส์เทระนั้นเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นด้วยเหตุอันใดหรือว่าท่านผู้เขียนประวัตินี้จะไม่ได้เขียนลงไปหรือว่าท่านจะกล่าวรายละเอียด เพราะอนุปุพีกาถานี้ตามที่กล่าวในประวัติของท่านพระยสสะเถระแล้วมักจะแสดงต่อคนบุคคลที่ยังไม่เคยต่อพุทธศาสนาเพื่อเป็นการกล่อมจิตใจให้อ่อนโยนให้เชื่อถือในพุทธศาสนาเสียก่อนและจึงได้แสดงอริยาศาศาสีประการและพระธรรมเทศนาการ น, นี้พระองค์ทรงแสดงบ่อยแม้แต่ว่าพัทวคีก็เช่นเดียวกัน แม้แต่ว่ามารดาบิดาบิดอมารดาหรือว่าพัญญาของอพัญญาเก่าของเจษะก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในประวัติของท่านนี้น่าจะมีว่าแสดงอนุปุพีกะถาก่อนแล้วจึงได้แสดงอริยสัจีประกาศจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วได้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็จึงได้สำเร็จพระอรหันตผลพร้อมด้วยประสิสัมพิทาญา พระนางอโนชาเทวีนี้เมื่อได้สำเร็จเมื่อได้บรรลุโสโดาปฏิผลพ ร, ร้อมด้วยบริวารแล้วก็ทูลขอบรรพชาอุปสมบทภายหลังนั้นก็ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของภิกษุณีและก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งบริวารเหมือนกัน ท่านพระมหา อ, าอ่าพระบรมศาสดาก็จึงได้พาพระพิสุพันุ์ลูกซึ่งมีพระมหากับปินณเถระเป็นต้นกลับพระเชตวันมหาวิหารท่านพระมหากับปินณนี้ท่านได้สำเร็จพระอ ร, ร, ะราหันต์แล้วมักจะเที่ยวเปล่งอุทานอยู่เสมอว่าอาโหสุขขังอโหสุขขัง ส, ขสุขหนอสุขหนอดังนี้อยู่เสมอเปล่งอุทานบ่อยๆจนกระทั่งพิสุขเนี่ย ผู้เป็นปุถุชนไม่เข้าใจก็จึงมีความคิดผิดสําคัญผิดไปว่าที่ท่านเปล่งเช่นนี้ก็คงจะปลารลกถึงความสุขในราชสมบัติที่ตนเองเคยเป็นพระราชาอยู่แต่ตอนนี้มาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาต้องอต้งนอนกลางดินกินกลางทรายประเภทนี้บ้างก็จึงได้ระลึกถึงความสุขของตนเองในอดีตในครั้งที่เป็นฆราวาสปิสัยก็จึงได้เปล่งอุทานเช่นนี้ ก็จึงได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระเจา้าพระองค์ก็รับสั่งให้ท่านพระมหากราปินณนี้เข้าเฝ้าเมื่อทราบตามความจริงก็ทูลถามว่าที่เธอเปล่งเช่นนั้นเนี่ยโดยอาศัยที่หรือว่าเห็นประโยชน์หรือว่าเห็นคุณและโทษอะไรจึงได้เปล่งเช่นนั้นท่านพระมหากราปินณ์ก็จึงได้กราบทูลนะได้กราบทูลถึงความสุข ถึงความสุขแห่งการเป็นภิกษุในพุทธศาสนาว่าเมื่อก่อนนั้นตนเองนั้นถึงแม้จะเป็นพระราชามีการปกคุ้มครองทั้งภายในภายนอกพระนครก็ต่ตางหรือว่าและก็มีการรักษาอาลขาอยู่เป็นนิดแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่หวายสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายเป็นผู้ที่มีข น, ขนชูชันอยู่เสมอ แต่ครั้นว่ามาเมื่อมาบวชในพระพุทธศาสานาแล้วความกลัวตายหรือความสะดุ้งกลัวต่อมรณะภัยนั้นไม่ได้เกิดมีแม้ว่าจะอยู่ในที่เลือนว่างหรือโคนต้นไม้ในที่เปลวอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าไม่ต้องสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายจึงมีความสุขอย่างแท้จริงจึงได้เปล่งอุทานเช่นนั้นเปลงอุทานเพราะเกิดความปีติในธรรม อซึ่งเป็นเหตุอปราลกอมตนิพพานองค์ทศเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ติได้กล่าวกับวิสุทธ์ทั้งหลายว่าพระมหากัปปินะผู้เป็นบุตรของเรานั้นไม่ได้เปล่งอุทานปลาลบ ก, กามุสุขหรือราชสุขก็คือว่าความสุขในกามหรือในราชสมบัติลอกแต่เธอเปล่งอุทานวาสุโอโหสุขขังคือสุขหนอสุขหนอยอย่างนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเกิดปีติในธรรมอันปลาลบถึงอมตะนิพพาน แต่บางตำนานได้กล่าวว่าท่านพระมหากบปินะนั้นเมื่อได้สำเร็จมเมื่อได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้อุปสมบทในพุทธศาสนาท่านพระมหากบปินะนั้นเรียกว่าเมื่อได้สำเร็จแล้วก็ได้บรรพชาสมบทในพุทธศาสนาแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทอุตสาหเจริญสมณธรรมบมเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานก็ได้สาเร็จเป็นพระรานล ไม่ใช่ว่าสมเร็จโดยการที่ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่บาําัมนางกล่าวที น, นั้นในคราวครั้งแรกท่านก็ไม่กล้าที่จะสั่งสอนใครเพราะยังไม่ได้รับบรมพรพุท ธ, ธานุญาตเมื่อสมเร็จเป็นพระอาราตผลแล้วแต่ภายหลังนั้นพระองค์ก็ได้รับพระพุท ธ, ธานุญาตจากพระพุทธองค์แล้วให้เป็นผู้สอนพระพิสุที่เป็นบริวารประมาณพันลูกของท่านซึ่งยังไม่ได้สาเร็จเป็นพระอาราตผล ได้เพียงเป็นพระสนดาบันเท่านั้นท่านก็ได้สอนจนกระทั่งพิสุที่เป็นบริวารของท่านนั้นสําเร็จอรหัตผลเป็นภริยาบุเสภอาลียะบุคคลในพุทธศาสนาเพราะเหตุอันนี้แหละท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุขทั้งหลายฝ่ายข้างให้โอว่าแก่พิสุบริสัท ให้โอวาแก่พิษุบริษัทนี่บาตํานานกล่าวเช่นนั้นแต่ว่าท่านก็ได้รับยกย่องในทางว่าเป็นผู้ให้โอวาแก่พุทธบริษัทพิกษุบริษัทดังนั้นประวัติของท่านนั้นก็ตรงกันข้ามกับท่านพระนันทกะเถระท่านพระนันทกะเถระนี้เป็นผู้เลิศในฝ่ายให้โอวาแก่พิกษุณีบริษัทแต่พระมหากัปปินะนี้เป็นผู้เลิศ กว่าพิสุจทั้งหลายในด้านเป็นผู้ให้โอวาธแก่พิสุบริษัทคือสั่งสอนพิสษุท่านพระมหากริปณ น, นี้เป็นกำลังใหญ่ในการเผยแพร่ศา ส, สนาองค์หนึ่งเหมือนกันท่านดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก้อนดับขันทัปรินิพานก็จบประวัติของท่านเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทุกๆุท่านด้วยกัน ขอเจริญพร